วันนี้เป็นวันที่18มกราคมพุทธศักราช2554วันพรุ่งนี้เป็นวันขอพรอบวันมรณาภาพหลวงปู่ล่าเขมปัดโตข้อพรอบมาเป็นเวลา15ปีปีนี้ทุกปีที่ผ่านมาหลวงพ่อก็ได้ไปร่วมเป็นเจ้าภาพว่าเป็นเจ้าภาพใหญ่ก็ใช่ ก็ว่าเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เพราะหลวงพ่อเนี่ยเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกของหลวงปู่ล่าบวชหลวงกับหลวงปู่ล่าตั้งแต่ปี2500เป็นส ม, มัณเนไม่มีใครก่อนเฮอไม่มีใครก่อนเลยบง้งท่านเดี๋ยวช่กะว่าไปหลวงพ่อเนี่ยเป็นลูกศิษย์องค์แรกคนแรกของหลวงปู่ล่า เมื่อท่านมรณะภาพไปเร้วหลวงพ่อก็ได้เข้าไปจัดการดูแลเรื่องทําบุญก็พรอบวันมรณะภาพของท่านแต่ปีนี้หลวงตามหาบัวท่านอาพาธอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นหลวงพ่อเข้าไปเกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายน2553 วันนี้ก็เป็นวันที่18แล้วสองเดือนกว่าสองเดือนกว่าหลายวันอยู่เพราะนั้นหลวงพ่อก็เข้าๆออกๆเข้าๆออกๆไปทั้งกรุงเทพด้วยดูๆแล้วหลวงพ่อชักจะไม่ไหวช่วงหลังๆมันไม่ใช่เพียมันมันห่วยบกันแต่นี่มลักนณหโหยมันไม่ใช่หิว ไม่ใช่เหนื่อยมันหอยๆว่าังเถนะมันล้าถ้าเป็นคอมพิวเตอร์กับมันเออเลอรว่าังนถอะมันเออเลอรเออมันมันทำงานไม่ค่อยไมยไม่ค่อยได้แตนี้ก็เมื่อวันที่สิบสี่ที่ผ่านมาหลวงพ่อก็ได้ไปมอบเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสูงอุดรที่พวกหลวงพ่อได้พูดไว้ ก่อนหน้านี้แต่มอบระนาดทีนี่ยมอบเรียบร้อยแล้วเครื่องมือสี่ตัวคือเครื่องผ่าตัดหัวใจเครื่องทางหัวใจเครื่องช่วยหายใจปอดหัวใจเทียมวันนั้นที่เขาประกาศออกมาเขาคงจะเพิ่มตัวไหนก็ไม่ไม่ทราบได้ก็เป็นเงินห้าล้านเกาแนห้าหมเป็นเงินห้าล้าน 9 5 0 0 0สห้ามก็มีคณะขหาบดีและก็ผู้เกี่ยวข้องไปร่วมการมอบวันนั้นมากเอมากกว่างั้นแต่อบอุน่นก็มอบให้แก่โรงพยาบาลศูงอุดรแล้วต่อไปทางโรงพยาบาลหมอก็คงจะเริ่มผ่าตัดบายพาดหัวใจได้แล้วเมืม่ออุดรแต่ก่อนยังไม่มีมีแต่ก็คาว่าหมอเม็ดหมอเม็ดก็คือหมอ เกี่ยวกับยาอันนี้เกี่ยวกับผ่าตัดแท้เออแปลว่าจะเอาเครื่องผ่าตัดเข้ามาเกี่ยวกับผ่าตัดหัวใจผู้ที่เส้นเลือดในหัวใจเต็บไม่สามารถที่จะหายใจได้ทำบายพาสบายพาสก็เหมือนกับถนนรอบเมืองลักษณะอย่างนั้นะที่หลวงพ่อได้ฟังๆก็มอบแล้วเมื่อวันที่ส4สี่มกราคม พุทธศักราช 2,554 และก็วันที่16ลวงพ่อก็ได้มอบรถตู้ให้แก่โรงพยาบาลอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดความเป็นมาของรถตู้คันนี้ก็คือสมัยก่อนเมื่อลุงปู่ล่ายังมีชีวิตอยู่ท่านก็เด้โรงพยาบาลหนองพอก <c oughs> ดชช่วยดูแลพระเนนในวัดภูเจา้กเพราะอยู่ใกล้ อยู่ใกล้ภูจอกก็แล้วก็พอ อ, อเขาก็คงจะสนิทสนมกับองค์หลวงปู่พระเนนก็ไปช่วยใช้บริการหลวงปู่ก็เขามาขอรถตู้หลว ง, งปู่ก็ให้ไปคันหนึ่งตั้งแต่ปี2537 37-38 เนหะลวงปู่มราณอหนาพก็3ามสคงจะเป็น2 5 3พนหหลวงปู่มอบรถตู้ให้ โรงพยาบาลหนองพอกจากนั้นเขาก็ใช้มาจนถึงปีนี่แหละสิบกว่าปีสิบหกสิบเจ็ดปีเข้ามารู้สึกว่ารถตู้คันนั้นก็ทุกพลภาพไปตามการการเวลาใช้มานานก็ต้องแก่ธรรมดามันมีสนุมสนิมเกิดไปหมดจากนั้นก็เวลารับคนป่วยวิ่งไปส่งโรงพยาบาลก็ไปใต้ยครื่งทางก็มีจางนั้นท้ง คุณโยมที่รู้จักมักคุ้นที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงปูล่ลาดเขามาหาหลวงพ่อถือว่าหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของหลวงปู่พอเป็นไปได้ไหมหลวงพ่อก็เออเอาลับไว้จากนั้นหลวงพ่อก็คิดว่าคงจะเตรียมจะตุปใจเรียกว่าผูกเกี่ยวข้องก็จะสมทบกันคิดว่าจะหาเอางั้นเถอะพอต่อมาก็มีท่านชุตเทพ จังหวัดสระบุรีที่มาทอดกระถินวัดป่าของเราเนี่ยวัดกระถินของเราเมื่อปีที่แล้วเนี่ยท่านก็บว่ามีใครถวายได้ยังหลวงพ่อหรือยังแต่เอาผมเป็นเจ้าภาพก็แล้วกันคณะผมเออาก็ดีหลวงพ่อก็ได้สั่งรถให้เขาสั่งรถก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ท่านก็ให้หลวงพ่อกับคณะ ของท่านะมอบที่วัดป่าบ้านตาดเมื่อวันที่สิบหอาทิตย์ที่สิบหมกราห้าสี่มอบให้แก่ผูเจ้ากอให้ผูจ้ากอมอบให้แก่โรงพยาบาล อ, อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็เอาผ้าห่มผ้าห่มที่มาเคยมาถวายวัดเรานั่นถวายไปอีกเพื่อถวายพระสงฆ์ในงานก็อรอบอีกสี่รอยห้าสิบผืนเพื่อถวายพระ แต่หลวงพ่อกคยคิดว่าอืมเอาอย่างไงกันหลวงพ่อกคคิดว่าจะไปไม่ไปไปไม่ไปเพราะสุขภาพหลวงพ่อก็อย่างที่ว่านะมันมันล้าฮมันเหนื่อยมันเหมือนจะเป็นหวัดปิดเหมือนจะเป็นไข้อีกคืนเมื่อวานนี้ก็เลยตัดสินใจให้พระไปหลวงพ่อจะไม่ไปจะให้ส่งพระไปสีห้ารูปไปเป็นตัวแทนไม่ใช่ไปแล้วไปเอาจุดตุปจัจไปถวายพระ ทุกปีที่ผ่านมาหลวงพ่อกับเนี่นะเอาปัจจัยเอาปัจจัยไปแล้วก็เขียนใบปรารณาถวายพระที่มาในงานสองสามร้อยรูปถวายทั้งหมดก็มีเจ้าภาพอยู่สามสามคนมีหลวงพ่อสมหมายคุณภัยจิตมันกคุณบางปีก็ต้องก็มาร่วมสมทบด้วย แต่ปีนี้คงจะมีพระสุเทพเข้ามาร่วมสมทบกับหลวงพ่อด้วยแต่ไม่รู้จัดเท่าไหร่แต่คิดว่าคงจะถวายปัใจจัยให้แก่พระผู้ใหญ่แล้วก็พระอันดับป่ะหลวงพ่อบอกสั่งพระแล้วละถวายพระเนาะเพราะนั้นหลวงพ่อเองไปนัดสถานที่ใดโดยมากไม่ค่อยได้ไปเอานะด้วยมากทิไปเสียสละไปทําบุญจะมากกว่า แต่คิดว่ามันจะหมดมันก็ไม่หมดนะผู้คณะจตหายาติโยมลูกหลานนะถ้ารู้จักวิธีการทําบุญนะมันไม่หมดมันหลังไหลมาอย่างหลวงพ่อนะอย่างหลวงตานะท่านให้ไปเท่าไหร่คิดว่ามันจะหมดมันไม่หมดอย่างหลวงพ่อไปที่วัดป่าบัานตาดเหมือนกันเขาถวายหลวงพ่อมาที่ละหมืน่นก็มีสี่ห้าพันสองสามพันถวายส่วนตัวหลวงพ่อเอาถวายหลวงตามาหาบัวหมดถวายหลวงตาหมด หลวงพ่อไม่ได้เอามาเพราะลงตาขาวนี่เป็นลงตาจำเป็นจะต้องได้ใช้ใจิตุปัจจัยผู้ใดเอามาอา้าวรับหลวงพ่อก็รับปิดถวายไปหมดเดือนสองเดือนคิดว่าวัดเราคงจะไม่มีอาหารจะกินมันก็เป็นไปอยู่นะไม่ถึงกับเดือดร้อนเพราะนั่นพวกเราต้องอดทนเรื่องปัจจัยไม่มีปัญหา เสียยามเสียสละต้องเสียสละยามเวลาทาบุญต้องทําบุญออดบ้างอิ่มบ้างไม่เป็นไร <Hey. S 1> เดี๋ยวมันหลั่งไหลามาเองถ้าพวกเราจิตใจเป็นกุศลแล้วหลวงพ่อเชื่อในการสร้างบุญสร้างกุศลถ้าเราทําไปแล้วมันไม่เคยจะแห้งแล้งไปโดยมากมันมีแต่หลั่งไหลามาอย่างพระที่เข้ามาทอดกรถิน พร้อมกับโยมทางฝ่ายมาทอดกรถิ่นเขาบอกว่าหลวงพอ่อพวกผมพวกโยมที่มาทำกระถิ่นน่ะพอทำไปแล้วเนี่ยมีแต่พอกพูนแต่ไม่ใช่เล่นหวยเล่นเบอร์นะแต่ได้มาโดยเป็นธรรมบางทีก็เงินเดือนขึ้นบั่งบางทีก็หุ้นขึนบงังเขาแบ่งเงินปันหุ้นให้บั่งโดยมาก ไม่ขาดทุนหลวงพ่อเพราะฉะนั้นเขาจึงยินดีในการทําบุญที่มากับถวายกับหลวงพ่อเออเอา้าไม่ว่ากันถ้าทําบุญแล้วก็ไม่นักใจไม่ทุกข์ใจอแล้วก็ทําไปแต่ถ้าทําไปแล้วทุกข์ใจอย่าทํานะถ้าทําไปแล้วยิ่งทุกทุกข์จนลงไปไม่สบายใจอย่าทํานะ ถ้าทำแล้วสบายใจเออทำบุญกุศลจะงอกเงยหลวงพ่อมั่นใจอย่างนั้นเพราะหลวงพ่อเองเคยทามาอย่างนี้หลวงพ่อไปนสถานที่ใดโดยมากไปวัดไปในงานศพกรีไปเทศในงานศพครูบายจานพาระเถระพอเทศจบเขาถวายการเทศอ้าวถวายกลับคืนเผื่อด้ใช้เว้นเสียแต่ ง, งานศพ หลุกหลานคณะศรัทธาญาติโยมที่เขาถวายเออมากน้อยก็คือเอารับก็คงไม่มากอะเ น, นแต่ไปงานศพครูบาอาจารนยะ์เน่ยเขาถวายมาโดยมากกะให้ไปหรือว่าเป็นงานส่วนราชการเกี่ยวข้องกับส่วนราชการส่วนรวมหลวงพ่อก็มอบให้แก่ส่วนรวมไปถ้าเป็นส่วนตัวไปกิจนิมนต์ในบ้านเขาจะส่งคืนให้เขามันก็ใช่เรื่องอีกไม่ถูกต้องเราก็ต้องรับเพราเขาถวายจะ ถ, จะถูกปัจจัยไตรยธรรม อันนี้เราก็รับมาเพื่อให้เป็นประโยชน์สำหรับัดวาศาสนาให้เกิดประโยชน์ต่อพระเนรมีความจำเป็นนี่แหละเรื่องจตุปัจจัยเี่ยวันนี้ก่อนเนี่ยจะส่งพระไปเพื่อถวายจตุปัจจัยพระสงฆ์ที่มาร่วมงานถ้าเราไม่ได้ร่วมงานไม่ได้ไปถวายก็ปิตกกังวลเหมือนกันนะกลัวมันจะขาดลอยหลอพระเนร มาในงานจะเป็นยังไงเพราะเราเคยถวายทุกปีถ้าปีนี้เราขาดจ้ะหลวงพ่อก็ไม่สบายใจอีกเหมือกนกันเพราะฉะนั้นจึงได้ส่งพระไปไปร่วมทำบุญวันนี้วันพรุ่งนี้หละจะเป็น ว, วันถวายวันปุณิย์ก็ไปเตรียมพร้อมจ้ะปลดเป็นวันสวดมนต์เย็นแต่ชาวบ้านเขาบอกในมต์บอ ก, บอกได้เชิญท่านผูว่ามา ในงานนะั้นท่านหลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อจะเป็นประธานเอ้ยขออภัยเพราะหลวงพ่อนะี่ยสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วมันเหนื่อยมันเพลียยังไงก็ไม่รู้เหมือนจะเป็นหวัดถ้าไปเจออากาศแถบแถบนั้นลมทั้งวีทั้งวันลมแรงต่างหากะหลวงพ่อจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เพราะนั้นคงไปไม่ไหวถ้าไปแล้วมแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นมา มันก็คงไม่เป็นผลดีสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคู่ทุกคนนี่นะอันนี้ก็คืองานหลวงปู่ล่านะพวกเราก็อนุมโมทนาสาธุหน้าที่หลวงพ่อได้ให้พระไปร่วมทาบุญอนุมโมทนาทานนี่แหละพ่อแม่ครูบาอาจารย์รงโรยไปหลวงพ่อเองก็ออ วิตกกังวลเหมือนกันคูบาพ่อแม่คูบาอาจารย์อย่างองค์หลวงตามหามัวป่วยที่เป็นเสาหลักของประเทศก็ว่าได้เสาหลักของพระธุดง์กรรมฐานหลวงพ่อยังได้เข้าไปช่วยดูแลเท่าที่จะทำได้ว่าประสานหมออย่างไงประสานแพทย์อย่างไงประสานพระหมู่พวกเพื่อนพระสง์อย่างไงสรุปแล้วก็คือขอให พี่น้องมีความพร้อมเพียงสา ม, มัคคีในกลุ่มในหมู่ในคณะเพื่อรักษาสุขภาพขององค์หลวงตาให้ดีที่สุดไม่ให้มีการกระทบกระเทือนแต่หลว ง, งพ่อเนี่ยหลวงพ่อว่าหลวงพ่อจะแนะนําว่าให้คิดดีที่สุดทําดีที่สุดพูดดีที่สุดเพว่าที่สุดคืออะไรคือไม่มีอะไรที่จะแต่ละคนให้ให้คิดอย่างนั้น คิดว่าจะไปเพื่อต้องการอย่างอื่นอย่าได้มีในจิตใจให้คิดให้ดีทําให้ดีพูดให้ดีส่งจิงไหนที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้เอ้าช่วยด้วยน้ําใจด้วยน้ําใจที่เป็นกุศล ท, ที่เป็นอ ก, กุศลอย่าไปคิดอย่าไปทําอย่าไปพูดนี่แหละอันนี้ก็คือ ได้ช่วยวยหลวงพ่อเข้าไปทําหน้าที่ในจุดนั้นบางทีก็โอหนักพอสมควรแต่มันไม่ใช่หนักมันไม่ใช่หนักกายนะมันหนักในความรู้สึกมันอย่างที่ว่านะเครื่องคอมอยู่ในศีสษะนะมันเออเล่ย่างั้นอะไม่รู้จะเอายังไงดีไม่รู้จะทำยังไงดีไม่รู้จะทำยังไงจะให้มันดีที่สุดนะจุดนั้ น, นเป็นจุดที่ ที่มันล้าเหมือนกันเถอะบางทีก็ได้ถอยออกมาพอเมื่อวันออกมาเมื่อวันที่สิบห้าที่ผ่านมาหมอเขาก็ได้ดูดน้ําออกจากปอดผอดูดน้อยจะกปอดท่านก็สบายขึ้นมาพอวันที่สิบหกหลวงพ่อก็ได้ออกมานี่แหละเพราะท่านนั่งรถก่อออกมาข้างนอกวันที่สิบหกวันที่สิบเจ็ด ท่านออกมาถามพระเขาพูดอย่างนั้นนะอันนี้ก็คือเห็นท่านสบายขึ้นมาหลวงพ่อก็ถอยออกมาหน่อยเพราะหลวงพ่อเองก็อย่างที่ว่านั่นนะสุขภาพท่านดีไหมก็ไม่น่าจะพูดอย่างนั้นมี่ต่ทรงๆเพราะอายุของท่านก็มากแล้วทรงๆชุดๆทรงๆ แต่ว่าการที่จะทำอะไรกับองค์หลวงตาหลวงพ่อก็ได้ประกาศบอกกล่าวทางสถานีวิทยุทั้งโทรทัศน์ด้วยบอกว่าเราจะทำอะไรกับองค์หลวงตาเราจต้องได้รับอนุญาตจากองค์หลวงตาก่อนทุกครั้งเราจะไม่ได้ทำโดยพระการอย่างเมื่อจะดูดน้ำครั้งก่อนที่ศิทิราชท่านก็ให้อนุญาตทางคณะแพทย์จิติราชท่านก็ได้ดูดน้ำเป็นครั้งแรก ครั้งที่สองเนี่ยก็คือวันที่เก้าวันที่เก้ามกราก็ขออนุญาตหลวงตาก็อนุญาตให้พอวันที่สิบพาพวกเราก็ขอเขาขอพระก็เข้าไปขอท่านก็เงียบเงียบนิ่งๆจากนั้นท่านไปเข้าไปเป็นผู้ขอถือว่าเป็นลูกของท่านท่านก็เออจะไ ด, ด, ด้ดูดน้ำออกมาประมาณเจ็ดร้อยซีซีมั้ง วันนั้นนะวันที่สิบห้ามกราก็ห่างกันนะสิช่วงวันที่ยี่สิบเก้าธันวาวันที่เก้ามกราวันที่สิบหกมกราเป็นครั้งที่สามนี่แหละอันนี้ก็คือการอาการอาภาษฎขององค์หลวงตาแต่ส่วนอื่นที่หมอแพทย์รักษากันเนี่ยัน น้ำในกระเพาะมีบ้างแต่สรุปแล้วก็คือท่านเหนื่อยเหนื่อยก็คือเนี่ยจุดปอดน่ะคือน้ำน้าในปอดเนี่ยที่ทำให้ท่านเหนื่อยเรื่องหมอที่รักษาหมอทางเลือกก็ดีหมอหมอหมอไทยก็ดีหลวงพ่อไม่ได้ตำหนิสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างในการ ที่วันเรื่องหมอแล้วก็หมอมีสัตยทายต่างหาทุกหมอก็พร้อมที่จะเข้ามาถวายการรักษาอย่างเต็มที่สุดความสามารถของแต่ละหมอไม่ว่าหมอเล็กไม่ว่าหมอใหญ่ไม่ว่าหมอทางเลือกทั้งฝ่ายพระสงฆ์ก็เหมือนกันถ้าฝ่ายพระสงฆ์ดู ด, ดแล้วก็รุ่นพีผีน้องน้องด้วนแล้วจะเจตนาดีด้วยกันทั้งนั้นตีหลวงพ่อดูไม่ได้ตําหนิว่าเออ องไหนที่จะมีกับกิริยาที่ไม่เหมาะสมแต่ว่าเจตนาดีบางทีเจตนาดีจะเจตนาดีอันชนกันอันนั้นอีกเป็นึกอีกเรื่องหนึ่งเราก็ต้องทําความเข้าใจกันเพราะเจตนาดีด้วยกันนี่แหละที่หลวงพ่อเขาเขาไปดูที่วัดหลวงตา แต่จะออกมาจุดที่วัดเราน้อยมากไม่ใช่ว่าเป็นไม่เป็นห่วงนะวัดวัดของเราก็เป็นห่วงเหมือนกันเป็นห่วงพวกเราที่อยู่ทางวัดอยู่ยังไงแต่ทิ้งยังไงแต่คิดว่าได้บอกได้สอนได้กล่าวกันเอาไว้แล้วได้แนะนํากันเอาไว้แล้วที่จะดีก็ต้องดีไปได้ที่จะเร็วก็สุดแท้แต่จะทํำยังไงได้เพราะสอนไว้แล้วพวกเราก็ไม่ใช่เด็ก บอกกล่าวอันไหนอันไหนเป็นศริอันไหนเป็นธรรมอันไหนถูกต้องอันไหนควรไม่ควรอย่างไรพวกเราก็ได้ฟังได้ศึกษาพร้อมกันแล้วก็ทําพระเทศนากองโรงตามีสถานีวิทยุก็ฟังอยู่ทุกวีทุกวันถ้าต้องการฟังก็รุนแล้วจะเป็นแหล่งที่ศึกษาทั้งนั้นถ้าไม่ฟังก็ช่วยไม่ได้ไม่รู้จะทํำยังไงพอมันจะดีแล้วมันจะเลวอยู่กับตัวของพวกเราท่านทั้งหลาย ถ้ามันจะดีก็อยู่ยกับพวกเราถ้ามันจะเร็วก็อยู่กับพวกเราเราจะไปทางดีแล้วเราจะไปทางเร็วเราเป็นคนเลือกเองเราเป็นคนทาเองเราเป็นคนคิดเองเราเป็นคนพูดเองอยู่กับพวกเราทั้งหมดเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอยู่นสถานที่ใดอย่าตั้งใจในความประมาทสั่งสมคุณงามความดีเอาไว้อย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างองค์หลวงตา ไม่ใช่ตองค์ลงตาพระพุทธเจ้าพระหันตศสาวกพระเจ้าจักรพัฒกี่รุ่นทุกกี่รุ่นมาแล้วเกิดมาแล้วก็ต่างไหลไปสู่มรณะภัยทุกคนทุกท่านแต่ว่าตายดีหรือตายตายไม่ดีท่านเองมรณะดีหรือมรณะไม่ดีถ้ามรณะดีก็คือทำจิตใจให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลส เป็นพระอริยเจ้าแล้วก็นั่นมรณะดีเจ็ดมรณะที่ไหนก็ดีหมดแต่มรณะเร็วเลยถึงจะอยู่ในห่อหองทงห้องทองคำขนาดไหนก็เถอะถ้าชั่วแล้วมันก็มรณะชั่วเหมือนกันเวลาตายไปแล้วก็นั่นวิญญาณออกจากร่างไปสู่ทกติเพราะนั้นพวกเราสรุปแล้วก็คืออยู่ที่ใจทั้งหมดถาดใจของเราเป็นสิิ์เป็นธรรม ถึงจะตายอยู่ในโคลนต้นไม้ถึงจะตายอยู่ในถนนหนทางถึงจะตายอยู่ในทางจงกล ม, มก็เป็นตายที่ตายดีตายที่บริสุทธิ์เพราะเหตุใดเพราะจิตใจของเราหมดจดจากอาสวกักิเลสแล้วเป็นพระอริยะบุคคลแล้วนี่แหละให้เราพวกเราท่านทั้งหลายยึดแนวทางภาคปฏิบัติทางด้านจิตใจนะเป็นหลักเราจะไปถือเรื่องโลก วัตตะสงสารหาที่สิ้นสุดไม่ได้นะกระโดดตามโลกเนะ่ไม่มีที่สิ้นสุดนะต้องเข้ามาจึดทางธรรมะแนะา่จิดธรรมะกนะ็คือเนี่ยเข้ามาหาจิตใจชาระจิตชำาะชำะใจอยู่ในะสถานที่ใดดีมดถ้าว่าไม่ภาวนาไปอยู่ในที่ไหนชั่วมดถ้าคิดไปทางชั่วนะถ้าคิดไปทางกิเลสไปอยู่ที่ไหนก็ชั่วมดถาวา ใจิตใจของเราชำระกิเลสแล้วอยู่ที่ไหนดีหมดแต่ว่าดีหมดแล้วชั่วหมดจุดนี้ก็ต้องหาหาสิ่งที่สับปายะเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเราก็ต้องส่อแสวงหาสถานที่ที่จะชำระใจิตใจเนี่ยท่านจึงอยู่ในที่สงบสงดไปที่อยู่ที่ป่ารงพงไพ่ไปอยู่ในถ้ำเงืเ้อมผาหรือว่าหาแหล่งที่สงบ ที่จะชำระจิตใจดวงนี้ได้ไม่ใช่ว่าที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายทำไม่ได้เหมือนกันนะเ อ, ะอันนี้กเราก็ต้องหาสถานที่เหมือนกันคอนน้พวกเรานะไปอยู่ณสถานที่ใดถึงที่ที่วุ่นวายก็ตามที่สงบสงัดก็ตามกิเลสมันอยู่ในใจของเราทั้งหมดอยู่ในที่วุ่นวายเราทำตัวยังไงทำใจยังไงคิดยังไงพูดยังไงทำยังไงถ้าเราไปอยู่ในที่สงบสงัดเราคิดยังไงทายังไงพูดยังไง อันนี้พวกเราต้องใช้ปัญญาทุกการสถานที่เวลำเวลานั่นหละเป็นผู้ไม่ประมาทรับพร อ, อนุโมท น, นาให้พล